การไม่มีอะไรนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งก็คือพระนิพพานที่ปฏิบัติกันนี้ก็เพื่อพระนิพพานพระนิพพานก็คือนิพพานังปรมังสุญญอย่างนิพพานังปรมังสุขขังการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะการมีอะไรนี้มันเป็นความทุกข์นั่นเอง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 แทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์กันนี่คือสิ่งที่พุทุชนธรรมดาจะไม่เข้าใจจะมองไม่เห็นพุธุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้จะมองว่าการมีลาบยศ ส, สรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภะนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง ทุกคนจึงขวนขวายกันสแสวงหากันสะสมกันสร้างกันสร้างลาบยศสรรเสริญสร้างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพจนิดต่างๆมาไว้เป็นสมบัติของตนแล้วก็ต้องมาทุกข์กับลาบยศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะทุกข์กับ รูปเรทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกข์กับธรรมารมเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้นั่นเองมองไม่เห็นว่าเขาเป็นไตรลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่นักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาคตทั้งหลายเท่านั้นที่จะเห็น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 มันจะหายก็เป็นเรื่องของมันมันไม่หายก็เป็นเรื่องของมันมันจะอยู่ก็เป็นเรื่องของมันมันจะไปก็เรื่องของมันไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือเป็นสิ่งของต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆเช่นลาบสักการะต่างๆที่สัตยาญาติโยมถวายให้กับท่านท่านก็ไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นของท่าน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 ที่ใช้อาศัยเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆไม่สามารถหาความสุขให้กับใจได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลานั้นก็จะไม่มีความสุขจะไปดูไปฟังไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่ไปดื่มไปรับประทานอะไรก็ไม่สามารถทําได้เพราะร่างกายไม่พร้อมร่างกาย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 นี่คือการปฏิบัติเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นความสุขที่ถาวร เ, เราต้องคำนึงถึงการปฏิบัติเพื่อให้เราไม่มีอะไรไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้เราได้สิ่ง น, นั้นได้สิ่ง น, นี้มีสิ่ง น, นั้นเมือมีสิ่ง น, นี้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 ก็คือการเจริญมรรคที่พระเจ้าทรงสอนมรรคที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประความเห็นชอบความดําริชอบสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโวการกระทําชอบวาจาชอบอาชีพชอบ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 เป็นศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคแปดนี้เองศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตโตสัมมาอาชิวะสมาธิก็สัมมาวายา ม, มุสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะโปะความเห็นชอบความดําริีชอบอ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 จเจราญสมถภาวนานั่งสมาธิหรือไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้ก็จะปฏิบัติได้เฉพาะในวันที่ไม่ต้องไปทำงานทำการทรมาหากินซึ่งก็จะไม่พอเพียงต่อการที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปในพบนี้ในชาตินี้ได้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 พอวันธรรมดาวันที่ไม่มาวันก็กลับไปยึดไปติดกับทุกสิ่งทุกอย่างไปหาเงินหาทองไปดูแลกษาเงินทองไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังติดอยู่กับสิต่ต่างๆยังติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญติดกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอยู่ พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ทำทานทาทานถ้าเต็มรูปแบบก็ต้องสละหมดแล้วก็จะได้ออกอยู่แบบนักบวชเลือกเป็นนักบวชสุดแท้แต่กรณีสมัยนี้ญาติโยมที่เป็นหญิงอาจจะไม่มีวัดวาหรือไม่มีสถานที่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 พอยืนพอเดินไปทำภารกิจทางร่างกายก็ต้องอยู่กับการกระทาของร่างกายทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวถ้ามีการกระทาอย่างนี้ก็เรียกว่ามีการปฏิบัติแล้วก็คือเจริญสติ ที่เป็นหนึ่งในองค์ของมรรคแปดนี้เองและเป็นองค์สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วมรรคองค์อื่นก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้เช่นสมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นไม่ได้สมาสมาทิฏฐิสัมมาสังกโป้ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้สัมมา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 มิจฉาชีพมักจะเดิมสุราเพื่อที่จะได้ไปประกอบมิจฉาชีพได้ผู้ที่ดำรงสมาอาชีพนี้มักจะไม่เดิมสุราเวลาไปทํางานทําการกันเพราะถ้าเดิมสุราแล้วจะไม่สามารถที่จะทํางานสมาอาชีพได้นี่แหละคือความสําคัญของสติที่พวกเรานี้จะต้อง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 เดินจงกรมก็พุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธถ้าใช้ร่างกายก็ดูเท้าที่เคลื่อนไหวไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปพอเดินจนเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งนั่งก็พุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธถ้าใช้ร่างกายก็ดูลมหายใจเข้าออกดูตรงจุดที่ลมสัมผัสเด่นชัดที่สุดก็คือแถวบริเวณปลายจมูกเนื้อเนื้อริมหรือเนือ้อริมฝีปากขึ้นมา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 แล้วมันก็จะเดินใจให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ความสงบได้ในกรณีที่ดูลมลมก็จะละเอียดลงไปเบาลงไปจนถึงกับไม่สามารถเห็นลมได้ดูลมได้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 ถึงโอเบกขาถึงอัปปนาถึงสักแต่ว่ารู้โดยที่ไม่ต้องไปบังคับมันตอนนั้นถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องทําอะไรเป็นเวลาที่เราได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนนั้นเหมือนกับเราไปอถึงที่พักแล้วเราก็พักผ่อนหลับนอนไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้น จนกว่ากิจจะพักได้เต็มที่หรือว่ากำลังของสตินั้นอ่อนลงจิตก็จะถอนออกมาแล้วออกมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสพทพะมารับรู้กับสังขสันขารความคิดปรุงแต่งสัญญาวความจำได้หมายรู้ถ้าเราอยากที่จะ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 ให้พิจารณาอัตุภความไม่สวยไม่งามของร่างกายให้พิจารณาอาหารในปฏิกูลลสัญญาให้ดูความไม่สวยไม่น่ารับประทานน่าดื่มของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆเวลานั้นนะเป็นเวลาที่เหมาะต่อการเจริญปัญญาเพราะจะไม่มีกิเลสมาต่อต้านนั่นเองก็พยายามพิจารณา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 ที่เราจะเอามาใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาที่มันออกฤทธิ์ออกเดชขึ้นมานั่นเองเวลาเกิดการอารมณ์จะได้ดึงสุภาออกมาได้เวลาเกิดความกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดึงมันออกมาดึงปัญญาออกมาได้เวลากลัวความตายก็ดึงปัญญาออกมาได้แต่ถ้าเราไม่ได้สะสมปัญญาไว้ในใจ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 กเลสตัณหาที่ถูกสมาธิตัดกำลังลงไปนั้นก็จะเริ่มมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเข้ามาแทรกแทงการพิจารณาของเราได้แทนที่จะพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไผ่พิจารณ า, า, า, า, า, า, า, าอาหารเลยปฏิทูรสัญญามันก็จะเริ่มหลอกให้เราไปพิจารณา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 นั่นก็คือนิพพานังปรมังสุนญ์อย่างนีง้ความว่างใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างใจไม่มีสมบัติเขา้าไม่มีสมบัติอะไรต่างๆแล้วมีแต่ความว่างอยู่เปล่าเปลียวเดียวดายโดดเดี่ยวแต่อยู่แบบปรมังสุขขังเพราะอยู่ด้วยความสมัครใจผู้ที่ต้องอยู่ด้วยอยู่อยู่ตามลําพังโดดเดี่ยวปราศจากอะไรเพราะถูกบังคับ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 เหมนั้นการไปอยู่ป่าอยู่คนเดียวของคนสองคนนี้จึงไม่เหมือนกันคนที่มีธรรมไปอยู่ป่าคนเดียวนี้อยู่อย่างสบายอยู่อย่างสงบคนที่ไปอยู่ยังไม่มีธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเจริญจติตไม่เคยเจริญปัญญาไปอยู่ป่าแล้วจะอยู่แบบทุกข์ทรมานใจอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว่าเว่เศร้าซ้อยง่อยเงา แต่คนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญานี่จะอยู่อย่างมีความสุขจะไม่อยากจะอยู่กับใครจะไม่อยากจะมีอะไรเพราะความว่างนี้เป็นปรมังสุขขังนั่นเองนิบานังปรมังสุญญ์นิบานังปรมังสุขขังนี่แหละคือเป้าหมายของพวกเราในการที่เรามาทำทานกัน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 ใจมีความอิ่มมีความพอไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจเนี่ยใจจะอยู่ในภาพในสถานภาพนี้ได้ก็ต้องมีมรรคเป็นผู้พาไปนั่นเองมีทานศีลภาวนาเป็นผู้พาไปมีศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้พาไปเนดังนั้นผู้ที่บาเพ็ญผู้ที่ออกบวชนี้จะต้องถือทมทั้งสอง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 เวลาอยู่ในสมาธิก็ไม่พิจารณาให้สักแต่วารู้ให้อยู่เฉยๆให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เวลาจากสมาธิมาก็จเจริญปัญญาพิจารณาอ น, นิจจทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะพิจารณาอาหาเลยปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายว่าไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่อวัยวะสามสิบสองชิ้นเท่านั้นในร่างกายอันนี้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 เวลาเกิดการอารมณ์อยากจะเสพการก็ดึงอสุภะออกมาใช้เวลาเกิดความอยากดื่มอยากรับประทานอาหารขนมนมเนยเกินความพอดีเกินความต้องการของร่างกายก็ต้องดึงอาหารโดยปฏิกูลลสัญญาออกมาใช้เวลาหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็ต้องดึงอาการสามสิบสองออกมาใช้ดึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟออกมาใช้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 ท่านอยู่ได้เพราะท่านตัดตันหาความอยากต่างๆได้แต่พวกเราอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเราตัดไม่ได้เรายังต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเรายังต้องมีราบยศสรรเสริญเรายังต้องมีร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราก็โวยวายวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาทันทียิงถ้ารู้ว่าจะต้องตายนี่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 ปลายทางของการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติเพื่อการไม่มีอะไรเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อมีอะไรนี้ให้ท่านได้นําเอาไปเพริดพิจารณาเพื่อความสุขสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิเตเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ภราสยถาสพีติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาฒนสีลิศนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขัง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 จะได้ส่งมวยใหม่ไปให้พอมา ไ, ได้เลยค่ะ อ, อ่า<อ>เวลาพูดให้พูดให้มันใกล้ๆปัดหน่อยจะได้เสียงดังกล <c oughs> ับพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ะเอาเามื่อวานดิฉันนั่งสมาธิช่วงตอนสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะแล้วเกิดข้อสงสัยแต่คําตอบก็คิดว่าน่าจะได้คําตอบแล้วล่ะแต่ก็อยากจะถามอ่าเมื่อวานตอนเย็นนั่งไปได้สักพักนึงเขาอปิดไฟหมดแล้วอะค่ะ ก็นั่งได้สักพักหนึ่งก็เห็นแสงพุ่งออกมาจากแถวพักประทานนะคะเป็นแสงเล็กๆกลมๆแล้วมารออยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วสักพักดิฉันก็เข้าไป อ, อีกที่หนึ่งคือสว่างแล้วก็เย็นโล่งอะค่ะไม่ทราบว่าแสงที่ที่เห็นน่ะคือแสงอะไรอะค่ะ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 ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยต้องไม่รับไม่หวงค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิใจปวดใจก็ จ, จะเิี่งปุ๊บทำไมพุทโธมันเร่งจังเร่งเอาเร่งเอาจนพุทโธแทบไม่ทันนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้มันสงบเร็วๆมันก็ไมเป็นไรถ้ามันจะเร่งหรือจะไม่เร่งก็ถ้ามันอยู่กับพุทโธก็ใช้ได้อยากให้มันไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งต่างๆก็แล้วกันก็กลับไม่ได้ สาสมรรครับที่ผมปฏิบัติทามาก็ประมาณรักสามสิบปีได้ครับส่วนใหญ่จะนั่งแล้วก็จะหลับนะครับามว่า <c oughs> แล้วก็อย่างเมื่อกี้นี้ก็ฟังหลวงพ่อเท้ก็ ก็ตรงประเด็นไปเลยครับแต่ว่าหลับบ้างตื่นบ้างมันทํายังไงได้ครับที่ว่าทําให้จิตประตกคือตื่นตลอดสติเรามีกําลังไม่มากพอนั่นเองเวลาเรานั่งเฉยๆพอจิตมันจะสงบสติมันก็หมดกําลังมันก็เลยหลับไปถ้ามีสติแล้วเวลาจิตสงบมันจะไม่หลับมันจะเข้าไปในสมาธิต่างนั้นเราต้องฝึกสติอย่างที่ได้สอนไว้ว่าต้องฝึกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ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 ถ้าเราฝึก ส, สติได้อย่างนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจะไม่หลับเวลาฟังเทศฟังธรรมจะไม่หลับนะสติ<อ>ต้องตั้งสติตลอดใช่ไหมครับว่ายืนเดินนั่งนอนอะไร<อ>ทุกริยาบททุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอมไม่ว่าจะทําอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้พุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าใช้ร่างกายก็ต้องเข้าดูการกระทําของร่างกายไปทุกทุกวิริยาบทของการเคลื่อนไหว ครัเขาต้องสติอย่างเดียวแต่ว่าเจ็บจิตตรงไหนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับฮะเจ็บจิตอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรก็เจ็บอยู่กับสตินั่นแหละสติตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นอ่ะถ้าไม่มีสติจิตมันก็จะไปอดีตแปลนาคตรปลเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนก็อย่างเจ็บปวยอะไรเงี้ยครับเออทำอะไรอันนันต้องใช้ปัญญาพอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาว่าความเจ็บป่วยนี้เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจใจไม่ได้เจ็บปวดไปกับร่างกายร่างกายก็เป็นสิ่งที่ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บจะปวดก็ปล่อย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 การเปียนท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมอาจจะมีปัญหาถามมากหน่อยฮรคือเวลาผมภาวนาพุทโธนะครับพระอาจารย์มันเครียดมากเลยครับคือภาวนาพุทโธไปบางทีมันก็ง่วงบ้างใช่ไหมครับบอกไม่ง่วงบางทีภาวนาไปปุ๊บไปเจอแม่มใช่ไหมครับคือคือความรู้สึกไปเห็นนั่นนะบอกเอ้ยไม่เอาภาวนาพุทโธอย่างเดียวนะดึงมันอย่างเดียวดึงมาอยู่ตรงนี้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 มันยังอยากจะไหลไปกับหลายๆคำ <c oughs> ก็ไหลไปได้ถ้าอยู่กับบทสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการภาวนาอยู่เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ <c oughs> ก็สวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าเหนื่อยอยากจะหยุดก็ลองดูเอาแต่พุโทโธคําเดียวต่อไปก็ได้ครับหรือถ้าไม่อยากจะพุโทโธก็ดูลมหายใจต่อไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าเสร็จจากตรง น, นั้นแล้วพว๊บเนี่ยสังเกตตัวเองว่าคือบางทีพอนั่งพักนี่นะครับเราก็ดูลมหายใจก็ออก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 ที่พระอาจารย์พูดในเรื่องของการพระพากจากกันนะครับก็คือพยายามนึกตลอดเวลานะแต่ว่าพอนึกถึงใช้ปัญญาคิดในเรื่องของการพระพากจากลูกซึ่งเรารักมากอาจารย์บางทีใจหายแว้บคุ๊บเราต้องตายจากกันจริงๆเลยครับเนี่ย เือความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ครับก็คือาะใจเราไม่สงบไยถึงบอกว่าต้องพิจารณาตอนที่ใจออกจากสมาธิมาใหม่ๆตอนนั้นกิเลสมันจะไม่มีกำลังมันก็จะไม่สร้างความรู้สึกเสียววับขึ้นมา <S <S <S <S ผมไม่รู้เหมือนคนอื่นเหมือนผมไเหมือนกันทุกคนเน่ยถ้าใจไม่สงบพอคิดถึงเวลาที่เราจะต้องพัดพากสิ่งที่เรารักไปมันจะเสียววาบขึ้นมาคิดถึงร่างกายเราต้องจากมันไปมันก็จะเสียววาบขึ้นมาแต่ถ้าใจสงบแล้วความเสียวนี้จะไม่มีเพราะความเสียวเกิดจากกิเลส ต, ตัณหาความอยากนี่ครับ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 อันนี้ก็เหมือนกันสมาธินี่ก็เป็นเหมือนยาชาของใจเวลาที่จะถอนอุปาทานความรักความหหวงนี่มันจะเจ็บมันจะเสียวแต่ถ้าเรามีสมาธิมันจะไม่เสียวมันจะไม่เจ็บมันจะรู้สึกเฉยเฉยครับอีกข้อหนึ่งครับคือเรื่องของการพิจารณาอสุภะนะครั บ, รบก็คือเจอใครนะฮะสวยๆเนี่ย พยายามคิดเหมือนที่พระอาจารย์เทศนะครับมันไม่สวยมันไม่งามมันมีอาการ32ก็ได้ระดับหนึ่งครับแต่บางทีเดินผ่านแป๊บเลยอาจารย์สัมผัสปุ๊บเนี่ยมันมาปุ๊บขึ้นมาเลยอะครับ อ, อาจารย์คือถ้าไปเจออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนรั ง, งับให้ได้ก็ อ, อสุภาพเนี่ยเพียงแต่ว่าเรามันไม่มีเราถึงต้องพิจารณามันบ่อยๆ เพราะว่ากำลังของสุภาพที่เราสะสมไว้ในใจนี่มันมีน้อยพอไปเจออสุภาพปั๊บมันถูกถูกยีบไปหายไปหมดเลยผมผมพิดารณาอย่างนี้ครับผมไม่รู้ว่าจะจะใช้ได้ไหมคือพกเห็นปุ๊บนะครับอุ้ยมันสวยงามเนี่ยมันแป๊บมาเลยนะครับอาจารย์ตอนแรกบอกเอ้ยไม่ใช่แต่ว่าเอาไปมาปุ๊บมันตามมันมันดึงมันกลับมานี ภรายาเราสมัยสาวมันก็อย่างนี้แหละมันก็เตึงนอย่างนี้แหละอย่างนี้มันยานแล้ว <c oughs> คือพยายามนึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ตลอดเวลาครับอาจารย์คือคือเรื่องนี้เนี่ยมันผมไม่รู้ใครจะเหมือนผมไม่แต่ว่า ความรู้สึกอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นตลอดก็ต้องเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทําให้คลายความกำหนัดยินดีคลายความอารมณ์ต้องพยายามเลิกอยู่เรื่อยให้มันฝังอยู่ในใจเหมือนที่พูดแล้วให้มันเป็นเหมือนสตรคูน พอจะต้องคูณเลขปั๊บมันก็โผล่ขึ้นมาเลยสองคูณสองเท่าไหร่มันจะได้คําตอบทันทีเลยพอเห็นอะไรสวยเห็นงายงายปั๊บอสุภะก็ต้องมาทันทีเลยครับผมโอเคครับกลาวขอบพระคุณฝนนมัสการพระอาจารย์ครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กัผมได้พบเจอมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กแต่ยังเก็บความรู้สึกนึด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 แล้วก็มองหน้ากับผมอยู่ตอนนั้นกับผมประมาณเจ็ดขวบขอรับแต่กับผมก็ได้แค่ยืนมองเขาก็มองหน้าแล้วก็เดินผ่านไปช่วงนั้นเวลาประมาณหกโมงเชา้าแต่หลังจากกระผมเดินทางกลับมาทางเดิมประมาณสี่โมงเย็นปรากฏ ว, ว่าไม่เห็นแล้วขอรับก็เลยอยากจะสอบถามบ้าอาจารย์ว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพูดผีปีศาจหรือว่าอะไรยังไงขอรับ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 ว่าร่างกายของเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องโอปะนัยิโกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นให้อามาใช้กับร่างกายของเราเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายของเราและร่างกายของคนที่เรารักเราห่วงเราลักใครเราห่วงเราไม่อยากให้เขาตายไปเราก็ต้องเอาภาพของความตายของเขานั้นมาปรากฏให้เราเห็นบ่อยๆจนกมาทั่งเรา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 Vielen <laughs> Dank. เขาคงถามว่าจริงหรือไม่ที่ถ้านั่งสมาธิแล้วจะรวยรวยตอนนี้เราก็รวยแล้วใช่เราก็ยังขอทานอยู่ทุกวันนี้คำถามข้อต่อไปจากคุณโกสมการปฏิบัติเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาแยกรูปและนามได้บางครั้งแต่จิตไม่เคยรวมสักครั้งปฏิบัติมาถูกทางใหม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 นั้นอยู่ที่สถานภาพของผู้รับว่าเขาอยู่ในสถานภาพใด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 แล้ว น, น, น, น, นอนแล้วมันทําให้ไม่สบายก็เอาผ้าหนุ่มหรือผ้าห่มนหนามาปูเพื่อกันความเย็นนี้ก็ทําได้แล้วถ้าอย่างเขามาบวชครามที่วัดเขาก็พกผ้ามาด้วยอีกหลา ย, ลายๆผืนเนี้ยคะได้ไหมคะได้ถ้าไม่าไม่ได้มาเพื่อบํารุงบําเรอความสุขท่า น, นเองมาเพื่อบําบัดทุกมารักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําได้มป็นคำถามจากทางบ้านคะ่ะ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 หมายถึงยังไงเข้าไาในใจไม่ได้คหมายถึงว่าอารมณ์กโกรธอย่างนี้ค่ะเวลามีเรื่องกโกรธหรือว่าดีใจเสียใจอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ค่ะอ๋อก็ความอารมณ์ต่างๆนันเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นแหะเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจเราก็โกรธเราก็เสียใจ เมเราวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่นั้พุทธเจ้าสรุปก็คืออารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยที่เป็นทุกข์เนี่ยเกิดจากความอยากทั้งนั้นแต่มันเข้าไม่ได้ฮะมันเข้าไปที่ไหนในใจอะ่ะจะจะเข้าไปทาไม่ะมมมจะให้มันเข้าไปทำไมนะ ม, มันก็อยู่ในใจอยู่แล้วอารมณ์ได้เกิดขึ้นคืออย่างนี้ปฏิบัติถูกใช่ไหมคะ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 อยากจะดื่มกาแฟก็ไปชมกาแฟมาดื่มอย่างนี้ไม่ถูกว ะ, ะถ้าอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดืม่มบางทีบางทีถ้ามันรู้สึกหนักหนักหนู ก, ก็จะ พ, พิจารณาดูค่ะว่าสิ่งที่เกิดที่ทำให้ใจมันหนัก อ, ะอ่ะคือว่า ม, นมนันมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรต้องไ ม, มันต้องต้องไม่ไปแก้ด้วยการไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาแก้ต้องแก้ด้วยปัญญาหรือท่านั้นไม่ใช่ไม่สบายใจก็ไปชอปปิ้งอย่างี้ อย่างนี้ไม่ใช่วิธีแก้วิธีแก้ก็ให้ดูว่ามันต้องมีอะไรทําให้เราไม่สบายใจถ้าเราค้นหาเจอเราก็ละต้นเหตุนั้นมันก็จะหายถ้าไม่หายก็ทนอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหมดแรงเองแล้วมันก็จะหายไปเองค่ะแต่อย่าไปทําอะไรค่ะอย่าไปช็อปปิง้งอย่าไปดูหนังอย่าไปกินเหล้าเมายาเพื่อมาแก้อารมณ์ที่ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่วิธีศักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ ต, รต้องเฉยต้องรู้เฉยๆหรือว่า